ตัวที่เป็นอุปสรรคทําให้เราเรียนรู้ธรรมะยากนะตัวคิดมากธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะรู้ด้วยการเห็นเอาเห็นรูปธรรมนามธรรมแสดงไตรลักษณนะ์เราคิดเอาคิดเอานะปัญญาจากการคิดเขาเรียกว่าจินตามายะปัญญาบรรลุมรรคผลไม่ได้ปัญญาที่ปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลเรียกว่าภาวนามยะปัญญาจเจริญสติจเจริญปัญญาในหะ้ ภาวนาเพราะเจริญทำให้งอกงามขึ้นมีสติถ้าเรามีสติอะไรจะงอกงามบ้างศีลก็งอกงามขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลมันก็เกิดแรกๆถือศีลลาบากต่อไปพอจิตมันคุ้นเคยกับการถือศีลการถือศีลเป็นเรื่องง่าย คนทั่วไปที่ถือศีลไม่ได้เพราะรู้สึกว่าถือยากแต่ถ้าเรารู้จักการมีสติรู้ทันจิตล้วก็เราพบว่าการถือศีลนั ง, ง่ายเวลาเราจะทำผิดศีลมันจะเกิดฮิริโอตปะฮิริคือความละอายใจโอตปะนี่เกรงกลัวผลของการทาชั่วเอเรามีสติอยู่เรื่อยๆเรารู้เลยว่าถ้าเราปล่อย ให้จิตถูกกิเลสครอบงำนะทาชั่วไปนะจิตจะเศร้าหมองอย่างถ้าราคะครอบงําจิตแรงๆนะราคะผ่านไปแล้วจิตก็เศร้าหมองนะหรือโทสะแรงๆผ่านไปหลังจากนั้นนะจิตกไ็ไม่สบายนะจิตไม่สดชื่นเศร้าหมองอันนี้ยังไม่ได้ดู ถึงผลของกรรมจริงๆเลยนะแค่ว่าเราปล่อยใจให้กิเลสครอบงำนะั่นใจเราก็เศร้าหมองละมันน่า ก, กลัวแล้วเวลาจะทำผิดเราจะละอายใจอันนี้เป็นตัววัดได้เลยว่าเราปฏิบัติดีขึ้นไหมเมื่อก่อนทำผิดศีลหน้าตาเฉยต้าไปนี้จะทำผิดศีลจะเล็กๆน้อยๆแค่ไหนนะมันจะรู้สึกละอายใจเรียกว่าหิริ โอต ป, ปะนี่กลัวผลของการทำชั่วศีลเราจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้เจตนาการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายอาศัยสตินี่แหละจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นเวลาที่เราต้องการทำสมาธิให้จิตสงบเราอาศัยสติเนี่ยจดจอ่อ Concentrate จดจ่อเข้าไปในอารมณ์อันเดียว อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องฟองยุบอยู่กับการขยับมือทําจังหวะอยู่กับการเดินจงกรมเห็นร่างกายมันเดินอันนี้เป็นสมถะทั้งหมดเลยใจอยู่ในอารมณ์มันเดียวใจอยู่ในรมเดียวนานๆใจมีความสุขสบายร่างกายกับจิตใจนะั้นมันตรงข้ามกันร่างกายต้องเคลื่อนไหวนะถึงจะแข็งแรงจิตนั้นนิ่งแล้วแข็งแรง มีแรงงันอาศัยสติจดจอ่อเข้าไปในอารมณ์เดียวที่สบายๆแล้วจิตจะสงบง่ายเคล็ดลับอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์ที่สบายนี่ถ้าเราจะฝึกสมาธิชนิดให้จิตตั้งมั่นก็อาศัยสติอีกแหละคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ไหลไป จิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กรรามาฐานรู้ทันเราต้องซ้อมโดยการมีเครื่องอยู่ของจิตแล้วมันพอดมันทิ้งเครื่องอยู่ไปเราก็จะรู้ได้ง่ายว่าไหลถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเวลาจิตไหลไปมันจะหลงยาวงั้นจะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจก็ได้แล้วรู้ทันจิตไว จิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปดูรู้ทันจิตหนีไปฟังรู้ทันจิตไหลไปเพ่งอย่างรู้ลมหายใจก็ไหลไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันอีกจิตไหลไปเมื่อไหร่นะหลวงปูดุลเ้าเรียกจิตสงออกนอกจิตมันเคลื่อนไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสัมมาสมาธิจิตอย่างนี้เอาไปเดินปัญญาไม่ได้จิตที่จะใช้เดินปัญญาได้ต้องตั้งมั่น ถึงฐานนะเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ไหลไปพอจิตเราตั้งมั่นได้แล้วก็ถึงขั้นในการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจสิ่งที่เรียกว่าความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงจิตใจนี้ไม่เที่ยงความจริงคือร่างกายนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ถูกบีบคั้นตลอดเวลา ความจริงก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุความจริงคือจิตใจไม่ใช่ตัวเราเพราะบังคับไม่ได้มุมมองอนัตตาของกายกับใจมันจะเหลื่อมๆกันจะไปมองว่าใจเป็นธาตุก็ได้เหมือนกันแต่เป็นธาตุวิญญาณธาตุดูยากร่างกายดูเป็นก้อนธาตุดูง่ายเห็นธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกกินอาหารขับถ่ายหายใจเข้าหายใจออกเลย ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาศัยสติเนะี่ยไปรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจตรงที่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติะระลึกรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าสติไปรู้อารมอย่างอื่นเป็นสติสาธารณะนะทั่วๆไปอย่างเวลาใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเนี่ย จิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีสติทุกๆดวงเลยเวลาใจเราเป็นกุศลขึ้นมาแต่มันไม่ใช่กุศลทุกชนิดนะที่เป็นการเจริญปัญญาอย่างเราจะทําผิดศีลแล้วเราละอายใจไม่กล้าทำก็ถือว่ามีสติเหมือนกันเป็นสติทั่วๆไปไม่ทําให้บรรลุมรรคผลหรอกสติที่จะพาให้บรรลุมรรคผลต้องเป็นสติปัฏฐา น, นมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจ ถ้ามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจนะยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะมีสติอยู่ที่กายมีสติอยู่ที่ใจนะเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเห็นนะไม่ใช่คิดเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นถึงจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานเพราะงั้นในสติปัฏฐานเองเนี่ยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนา ถ้าเมื่อไรรู้อย่างเห็นร่างกายหายใจรู้ว่าร่างกายหายใจอยู่ขณะนั้นเป็นสมถะนะเห็นท้องพ่องยุบเป็นสมถะเห็นร่างกายยกเท้าย่ า, ยางเท้าเดินไปเดินมาเป็นสมถะเห็นมือขยับเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาะแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่กำลังหายใจอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเนถ้าใจมันเห็นอย่างนี้ไม่ไปขึ้นวิปัสนาถ้าเราดูจิตดูใจอยู่ๆเราก็ไปจ้องใส่จิตจิตเป็นตัวรู้จ้องใส่ตัวรู้เป็นสมถะเหมือนกันจะเพ่งกายก็สมถะนะจะเพ่งจิตก็สมถะแต่ถ้าเราเห็นจิตมีแต่ความไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุก จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดียดเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงโลภก็ชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธก็ชั่วคราวแล้วหายโกรธหลงชั่วคราวแล้วก็หายหลงอย่างนี้เรียกเห็นอนิจจังของจิตก็นะเป็นวิปัสสนาตรงที่เป็นวิปัสสนาแท้ๆเลยนะเราจะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนะั้นมันขาดช่วงออกจากกันจิตที่โกรธมันดวงหนึ่งนะ พอสติเกิดนะีไอ้จิตที่โกรธนะีมันดับไปแล้วมีช่องว่างเล็กๆมาขัาน้นะมีช่องว่างเล็กๆมาขัาน้นแล้วเกิดจิตดวงใหม่ที่มีสติขึ้นมารู้ว่าจิตตะกีโกรธเนีย่ยมันจะมีช่องมาขั้นระหว่างจิตนะถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้เรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องขาดถ้าสันตติขาดเราจะเห็นได้ว่ามันมีแต่ของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไป ขึ้นวิปัสสนาแท้ๆล่ะคื้นวิปัสสนาแท้ๆได้นะใช้เวลาไม่นานหรอกเจวันเจเดือนเจปีอะไรเนี้ยจะต้องได้ธรรมะบ้างโยเวนพวกดีเลิศกับพวกเลวเลิศพวกดีเลิศอย่างพวกหวังพุทธภูมิก็ไม่ได้พวกเลวเลิศอย่างพวกทำอนันตริยกรรมมานะหรือพวกด่าพระอริยะเราไม่รู้นะว่าใครเป็นพระอริยะครวญอาจจะเป็นก็ได้ งานทางที่ดีไม่ควรด่าใครเลยเพื่อความปลอดภัยทำอ น, นันตรยกรรมอย่างค่าพ่อค้าแม่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้ละในชีวิตนี้ต้องไปเกิดเอาใหม่พวกเราใครค้าพ่อค่าแม่ไปบ้างแล้วมีไหมถ้ามีก็ทําบุญทําทานอะไรไปนะอย่าหวังชาตินี้ไม่ได้ละแต่ถ้าล่วงเกินพระริยะเนี่ยให้ขอเข้ามาซะ ขอมาล่วงเกินในใจก็ขอในใจล่วงเกินด้วยวาจาก็ขอด้วยวาจาล่วงเกินทางอินเทอร์เน็ตทำไงดีอ <c oughs> <c oughs> ต้องไปเขียนลงอินเทอร์เน็ตสินะไม่งั้นจะภาวนาไม่ขึ้นหรอกะจะไม่ได้มรรคได้ผลหรอกอันนี้ยังพอแก้ได้นะแต่ถ้าทํำอเนตตรยักกรรมแล้วแก้ไม่ได้ละ อนันตริยกรรมมีห้าข้อใช่ค่าพอ่อค่าแม่ค่าพระอรหันต์ถ้าเราไม่เคยค่าใครเลยก็ตัดไปสามข้อทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแค่ห่อเลือดก็อนันตริยกรรมละนะพวกเราไม่มีโอกาสลนะ่ะพระเจ้าท่านไม่ดำรงขันอยู่แล้วก็ทำสังฆเพศทำให้สงแตกแยกคนที่ทำให้สงแตกแยกได้ต้องเป็นสงด้วยกัน ฆราวาสไม่มีสิทธรริ์ทำฆราวาสได้แค่ยุให้สงแตกแยกนะงั้นเรายุให้พระตีกันเนี่ยไม่ถึงอนันตริยกรรมนะแต่ก็ไม่ควรทำนะ <c oughs> นี่พวกเลวเลิศนะพวกนี้ไม่ได้มรรคผลนี่การภาวนานะการเจริญปัญญาเนี่ยกับการทำสมถะเนี่ย อารมณ์ที่ใช้นี่มีเยอะแยะเลยเราไม่ต้องเลือกตามคนอื่นเราต้องดูตัวเองอย่างเราทำสมถะเราก็ดูว่าจิตเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนและมีความสุขอารมณ์ของสมถะ น, นั้นกว้างกวา ง, วางคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือสิ่งที่ถูกรู้ตัวออบเจกต์นะสิ่งที่ถูกรู้ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเรื่องราวที่คิด เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรียกว่าอารมณ์บัญญัตินะไม่มีสภาวธรรมรองรับไม่ใช่รูปใช้นาำงั้นเวลาเราไปรู้เรื่องราวที่คิดยอย่างเราคิดถึงพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆใจสงบได้ถ้าเราคิดไม่ดีใจก็ฟุ้งซ่านนะงั้นจะทําสมถะเนี่ยใช้การคิดเหงาก็ได้คิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าชอบ พุโทโธพระจิตสงบแล้วมาพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูนาสุภะก็เป็นสมถะอีกชนิดหนึ่งแต่เป็นสมถะที่จะกระตุ้นให้จิตเคลื่อนไหวไม่ให้สงบนิ่งเฉยอยู่ยิงั้นอารมณ์คิดนะการคิดนะเป็นอารมณ์บัญญัติที่คิดดีแล้วก็เกิดสมาธิได้เหมือนกันอารมณ์ของสมาธิชนิดที่สองเรียกว่าอารมณ์รูปนามรูปนามเนี่ยใช้ทำอภิปัสนาก็ได้ใช้ทําสมถะก็ได้ ถ้าเราเพ่งตัวรูปนามนะก็เป็นสมถะถ้าเราเห็นรูปนามสแสดงไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสนาอารมณ์อีกชนิดหนึ่งคืออารมณ์นิพพานอารมณ์นิพพานเนี้ใช้ทําสมถะได้แต่ทําวิปัสนาไม่ได้เพราะนิพพานไม่มีเกิดดับให้ดูนิพพานคงที่งั้นอารมณ์ที่ใช้ทําสมถะเนี่ยนะกว้างกวางเยอะแยะเลยนะเรื่องราวที่คิดก็ได้ เพ่งอยู่ที่กายก็ได้เพ่งอยู่ที่จิตก็ได้ส่วนอารมณ์กรรมฐานอารมณ์นิพพานเนี่ยปุถุชนทําไม่ได้ภาริยาบุคคลถึงจะทาได้เพราะเคยเห็นนิพพานปุถุชนไม่เคยเห็นนิพพานเอานิพพานมาทําสมถะทําไม่ได้ถ้าเป็นภาริยาบุคคลเวลาจะทําสมถะโดยใช้อารมณ์นิพพานนี่เรียกว่าเข้าพระสมบัติเข้าผลสมบัติ พระสมบัติเนี่ยถ้าเป็นโสดาสกทาคาพระอนาคาเนี่ยจิตยังไม่ชํานาญในพระนิพพานจะต้องเดินมิปัสสนาก่อนนะเดินมิปัสสนาระหวางรูปนามลงไปก็จะไปสัมผัสพระนิพพานแต่ถ้าเป็นพระอระหันต์เนี่ยจิตไม่จับรูปนามอยู่แล้วไม่ยึดอยู่แล้วนะก็มานสิการแค่ะระลึกถึงแค่ะระลึกถึงนิพพานก็นิพพานก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาละ นี่เป็นเรื่องของสมถะนะถ้าทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็แล้วไปแต่ตื้นตื้นเลยสมถะตื้ น, ต, นตื่นทำได้ทุกคนนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่เราได้ทำแล้วคิดถึงศีลที่เราได้รักษาแล้วนะคิดถึงคนที่ดีๆคนไหนเป็นคนดีเราก็นึกถึงใจเราสบายอย่างเรานึกถึงพระเจ้าอยู่หัวนึกถึงพระเทพอะไรเงี้ยใจสบายนะใจก็สงบ นึกถึงความตายนะเวลาใจมันฟุ้งซ่านมากเราคิดถึงอีกหน่อยไม่นานเราก็ตายนะหรือเราโกรธใครมากๆนะก็พิจารณาต่อไปเขาต้องตายจากกันเขาไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนนะหรืออย่างเก่งก็ตายพร้อมๆกันเนะมื่อพิจารณาความตายใจก็สงบได้พิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนะอิชไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา มีแต่ของโสกปล ก, สกโสโครกไม่ไม่สวยไม่งามพิจารณาอย่างนี้คิดอย่างนี้นะใจที่มีราคาก็จะสงบลงคมราคาได้หรือคิดถึงลมหายใจหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะคิดถึงลมหายใจไปเรื่อยๆนี่เรามีชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นการคิดนะคิดว่าเออเรามีชีวิตอยู่ด้วยหายใจ น, นี่เองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย น, นดูใช้การคิดเอาจะไม่เหมือนการทําอานาปนสติตรงๆนะทำอนาปนสติตรงๆนี่เข้าถึงรูปฌานได้แต่ตรงที่คิดเอาเนี้ยจะได้แค่อุปจารสมาธิสูงสุดได้แค่นั้นดันั้นำกรรมฐานลึกซึ้งอะไรไม่เป็นนะก็คิดอะไรที่มันทางบวกไว้คิดในทางดีไว้ใจสบายใจสงบหรือคิดถึงความตายคิดถึงอะไรไว้บ้างใจก็สงบ อารมณ์กรรมฐานมีเยอะแยะสมถะเยอะแยะง่ายอารมณ์ของวิปัสสนาก็มีอารมณ์รูปนามนะเราก็ดูในสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐาน4ี่เนี่ยบางอันใช้ทําวิปัสสนาได้อย่างเดียวบางอันใช้ทําสมถะได้อย่างเดีย ว, บ า, ยายวบางอันใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเพราะนั้นไม่ใช่สติปัฏฐานสี่แล้วจะเป็นวิปัสสนาทั้งหมดนะ อย่างการพิจารณาอาหารว่าเป็นปฏิกููนสุภาษอะไรอย่างนีน้อันนี้เป็นสมถะสมถะอย่างเดียวหรือเราเห็นจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นวิปัสสนานเห็นจิตต่างๆเกิดดับแต่มีจิตอยู่สองชนิดนะที่ใช้ทำสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้คือจิตที่จับในความว่างจิตที่จับความไม่มีอะไร อันนี้จะทําสมถากิปัสสนาได้เป็นเรื่องประณีตนะธรรมะเรียนไม่ต้องตกใจว่าอะไรตั้งเยอะตั้งแยะนี่หลวงพ่อให้ภาพรวมให้ดูเหมือนแจกแผนที่ให้คนละใบแล้วเราต้องไปเดินเอาเองแต่ละคนไปดูแผนที่แล้วไม่จําเป็นต้องเดินในเส้นเดียวกันคนนี้ชอบปีนเขาก็เดินไปทางที่มีภูเขาคนนี้ชอบนั่งเรือไปก็นั่งเรือไป คนที่ชอบเดินในทุ่งก็เดินไปนะแต่ละคนมีทางของตัวเองแต่มีแผนที่อันเดียวกันแผนที่อันนี้แหละคือธรรมะที่พระเจ้าประทานให้ส่วนเวลาเดินเนี่ยคนไหนถนัดดูกายก็ดูกายคนไหนถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาคนไหนถนัดดูจิตก็ดูจิตคนไหนถนัดดูรูปนามนะรูปธรรมนมามธรรมก็ดูรูปธรรมนมามธรรมเรียกว่าธรรมธรรมานุปัสสนา จะเห็นรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้กรรมฐานนั้นในสติปัฏฐาน4นะี่นันแยกกายเวทนาจิตธรรมกายและเวทนาเนี่ยกลุ่มหนึ่งจิตและธรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจริตนิสัยของคนเราในเวลาทําสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยการแยกจริตจะไม่เหมือนกันถ้าเวลาเราจะทําสมถะเราดูจริตมีหอย่าง ราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุท ธ, ธิจริตวิตกจริตศรัทธาจริตอย่างพวกศรัทธามากๆเนี่ยก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรอย่างเงี้นะใจก็สบายสงบพวกฟุ้งมากๆก็รู้ลมหายใจไปอะไรเงี้ยพวกขี้โมโหก็เจริญเมตตาพวกบ้า ก, กามก็พิจารณาสุภานึ่พิจารณาความตายอะไรไปอันนี้เราใจสงบแต่อารมณ์จริตนิสัยจริต ที่ใช้ทำวิปัสสนาเราแยก2 ส, ส่วนเท่านั้นเองเรียกว่าตัณหาจริตพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกับทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นพวกตัณหาจริตเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมา ะ, ะคือการดูกายหรือเวทนาพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็ น, นมีกรรมฐานที่เหมา ะ, ะคือดูจิตหรือธรรมทําไมต้องแต่ละจริตมีสองอย่าง พวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามดูกายหรือเวทนาพวกที่ปัญญาแก่กล้าแล้วจะไปดูที่เวทนาพวกที่ยังไม่แก่กล้าดูกายกายดูง่ายกว่าเวทนาส่วนพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยดูจิตเอาเห็นจิตเป็นกุศลบ้างกุศลบ้างอันนี้ดูง่ายถ้าปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปก็ไปดูธรร ม, มาจเจริญธรร ม, มานุปัสสนา จะเห็นความละเอียดลึกซึ้งประณีตของสภาวธรรมแต่ละอันแต่ละอันอย่างจิตตานุปัสสนานี่เห็นจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะรู้แค่นี้เองถ้าขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาน้ำใจประนีตขึ้นไปอีกอย่างจิตมีปฏิฆะความไม่พอใจเกิดขึ้นความมีพยาบาทพยาปาทะไม่พอใจเนี่ยคิดถึงตรึกถึงอารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยเห็นละ ไม่ต้องรอให้โกรธนะมันประณีตกว่ากันเรารู้ด้วยว่าทำไมถึงเกิดจิตที่มีความพยาบาทขึ้นนะรู้ว่าทํายังไงความพย า, พยาบามจะไม่เกิดขึ้นมนะจะรู้เหตุรู้ผลรู้ลึกซึ้งลงไปอีกนะหรือดูโพชชงนะจะเห็นเลยคุณธรรมมันค่อยๆอยัปเกรดขึ้นไปเรืนะ่อยๆจะดูยากกว่ากัน พวกเราสันนิษฐานไม่ก่อนก็แล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยว่าพวกเราอินทรีย์อ่อนอินทรีย์แข็งคงไปเรียนจากพุทธเจ้าแล้วคงบรรลุไปหมดแล้วสมัยนั้นพวกเราบางคนก็อาจจะเคยเจอพุทธเจ้ามาแล้วนะแต่เราเป็นลูกศิษย์เทวทัตเราก็เลยไม่ได้ธรรมะอะไรนะเราสําคัญผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นเราเป็นเดรัจฉีเราไปแอนตี้พุทธเจ้าซะด้วยซ้ําไป เพราะนั้นบารมีพวกเราเนี่ยที่ตกมาถึงรุ่นนี้ถือว่าบารมีอ่อนก็แล้วกันนะเพราฉะนั้นถ้าคนไหนรักสุกรักสบายรักสวยรักงามให้ดูกายไว้เพราะกายเนี่ยจะสอนให้เห็นว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นให้ดูจิตจิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งวันเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภเดียดเด๋ยวโกรธ<ๆ>เดี๋ยวหายโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหายหลงเพราะฉั้นเราดูจริตนิสัยของตัวเอง นการดูกายกับดูจิตเนี่ยมันมีเงื่อนไขอีกการดูกายต้องใช้สมาธิสูงการดูจิตเนี่ยใช้สมาธิต่ตำเพราะฉะนั้นการดูกายจะทำได้ดีนะถ้าเราทรงฌานเข้าฌานสักก่อนดูหน้าตาแล้วบ้องแปงง๊วอย่างี้คงยากนะ <c oughs> คงทำยากอยู่ถ้าถ้าเข้าฌานไม่ได้เวลามาดูกายนะจิตจะถลํา ล, ลงไปในกาย้ําจะไหลเข้าไปอยู่ในกายเลยมันไม่แยก ไม่เห็นกายกับจิตยแยกกันถ้ามันไม่แยกนะมันไปรวมเป็นก้อนเดียวกันมันเดินปัญญาไม่ได้หลวงตามหาบัวนะฟันธงเลยบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาอยู่นี่จะแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะถ้าพวกดูไกลจะให้เต็มภูมิเลยนะเข้าสมาธิเดินจิตถึงฌานที่สองฌานที่หนึ่งยังไม่พอเลย ควรจะชั้นที่สองชั้นที่สองละวิตกวิจารณ์ละการตึกการตรองในอารมณ์กรรมฐานได้นะมันจะทวนเข้ามามันทิ้งอารมณ์มันทวนเข้ามาถึงจิตถึงตัวรู้พนอะเข้าถึงตัวรูแว้แล้วเราออกจากฌานเนี่ยตัวรู้นี่ยังเด่นดวงอยู่มาเห็นกายเนี่ยมันจะเห็นทันทีเลยเพราะร่างกายมันอยู่อันหนึง่งจิตอยู่อันหนึง่งแยกกันทันทีเลยนะอันนี้สําหรับคนที่ส่งสมาธิสูงถ้ายังไม่สูงนะ หัดอย่างที่หลวงพ่อสอนนั่นแหะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิมตั้งมั่นนะแล้วต่อไปมันจะค่อยคอยเห็นจะค่อยๆเห็นบางทีก็เห็นทีละส่วนเห็นมือเห็นอะไรนี่ไม่ใช่เราไปก่อนต่อไปไม่เห็นทั้งตัวนี่ไม่เป็นเรามันก็แยกได้เหมือนกันนะแต่ค่อนข้างอัตคันนิดนึงเพราะจิตตัวรู้เนี่ยจะมีกําลังอ่อนทรงอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวก็ไหลเดี๋ยวก็ไหลดูอยู่ตั้งนานนะ่ยตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเห็นไกลทํางานใจอยู่ต่งางห่าง ถ้าพวกเราทำสมาธิไม่เป็นทำไม่ได้ลึกซึ้งกรรมฐานที่เหมาะก็คือจิตาาาจตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยไม่ได้เรื่องยากอะไรทุกคนทำได้ง่ายๆใช่หลักที่ผู้เจ้าสอนท่านบอกว่าดูกรภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะแค่รู้นะไม่ใช่ให้ใหละนะจิตมีราคะจิตมันโลภขึ้นมาอยากได้นน้อยอยากได้นี่ขึ้นมานะ ให้รู้ว่ามันโลภมันมีราคาขึ้นมาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาทันทีที่รู้ว่ามีราคาราคาจะดับอัตโนมัติกลายเป็นจิตที่ไม่มีราคาจิตที่รู้ว่ามีราคาเนี่ยคือจิตที่ไม่มีราคานะถ้าคนไหนบ้า ก, กามหรือว่าโลภมากเจออะไรก็อยากได้ตลอดเลยดูง่ายๆเลยเดี๋ยวก็ใจก็โลภ ก, ก็รู้ความโลภก็าหายนะเป็นจิตไม่โลภเดี๋ยวก็โลภ อ, อีกก็รู้อีก ฝึกอยู่แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องเรียนกรรมฐานอะไรมากมายกรรมฐานสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนิดเดียวที่พระเจ้าสอนกรรมฐานไว้เยอะเพราะท่านสอนคนทุกชนิดนะกรรมฐานสำหรับเราเองนิดเดียวคนไหนขี้โมโหก็ใช้หลักที่พระเจ้าสอนดุระพิสูทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูมันคู่เดียวไม่ต้องดูเยอะ แต่เดี๋ยวตามองเห็นก็มุกําคาญหูได้ยินเสียงก็ลาคาญนะก็รู้ทันใจที่มันลำคาญใจที่มันขัดเคืองนะตรงที่รู้ทันเนี่ยความโกรธก็จะดับโทสะก็จะดับก็จะสลับกันไปอย่างเนี้ทําไมต้องดูอย่างนี้เป็นคู่ๆนะเพื่อจะได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะจิตมีโทสะเกิดขึ้นแล้วจิตมีโทสะก็ดับไปกลายเป็นจิตไม่มีโทสะนี่ก็เห็นอนิจจังละ หรือจะเห็นอนัตตาก็ได้นะจิตมีโทสะเกิดขึ้นเราก็ห้ามมันไม่ได้นะเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะพอมันดับไปเนี่ยเกิดจิตรู้จิตรู้ตัวนี้เราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะเกิดมาแล้วรักษาก็ไม่ได้เนี่ยพอจิตไปกระทบอารมณ์ใหม่ก็โทสะก็ขึ้นอีกนะงั้นแกเราจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตานะเวลาดูจิตเนี่ยถ้าดูกายจะเห็นทุกขังอนัตตาชัดนะ ถ้าดูกายต้องใช้สมาธินะใช้เวลามากๆทำอะไรไม่เป็นเข้าชาญไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะมันมีวิธีที่ง่ายๆพอสมควรพอง่ายก็นั่งดูมันไปเรื่อยนะเห็นเลยร่างกายนี้มันปวดมันเมื่อยขึ้นมามันต้องขยับเปลี่ยนอิแลียบดไปร่างกายนี้ถูกความทุ้มบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหัดดูอย่างนี้อย่างนี้ก็พอกล่อมแกล้มไปไม่เต็มภูมิดี ถ้าเต็มฟูมก็เข้าฌานถ้าเข้าเต็มฟูมจริงๆเลยนะถึงอรูปอรูปประฌานเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนี้เมื่อไหร่แล้วก็รูปหายไปร่างกายไม่มีพอทวนกระแสย้อนออกจากฌานมานะกลับมาสู่รูปพอมาถึงฌานที่ที่สี่เนี่ยแล้ว ม, มีรูปให้ดูแล้วจะเห็นทันทีเลยในขนาด น, นั้นเลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกั น, นกายกับจิตนั่งคนละอันกันเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ไม่มีกายเลยเหลือแต่จิต นะตอนนี้เกิดร่างกายขึ้นมาหรือออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี้จะเห็นเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนละนจะเห็นแจมแจ้งเลยนะในทีเดียวนั้นเลยถ้าเราไม่ได้ทรงชานะมันจะเห็นกระจึกกระยึกกระยึกไปเรื่อยๆนะได้ทีละเล็กทีละน้อยเข้าชานไม่เป็มก็ต้องทนเานาะยิ่งพวกรักสวยรักงามดูไงพวกรักสวยรักงามวันๆนะันใช้เวลาอยู่หน้ากระจกนานนะเหมือนนกหงอยกรู้จักนกหงหยกไหมก็ต้องมีกระจกเอาไว้ให้มันดูนะ ชอบดูกระจกถ้าวันๆนเฝ้าอยู่หน้ากระจกหรือเลือกเสื้อผ้าจะแต่งเนื้อแต่งตัวเลือกอยู่นานมากเลยนะนี่พวกนี้ต้องเนี๊ยบตั้งแต่หัวถึงเท้าแต่งเสร็จแล้วก็สำรวจอยู่นั่นะพวกอย่างนี้ไปดูกายเอาไว้กายเนี่ยอูที่หน้านวลนวลเนี่ยเพราะาแป้งไปพอกหรอกจริงๆไม่ได้นวลอย่างนั้นหรอกไปดูเข้าไปเรื่อยๆนะกายนี้มีแต่ทุก เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ำํำนะกินเข้าไปมากเดี๋ยวก็ปวดอือปวดฉี่นะนั่งอยู่เฉยๆก็ปวดเมื่อยเนี่ยดูอย่างนี้เอานะถ้าเราสรงฉานไม่ได้ก็ดูไปไปอย่างนี้แหละถ้าส่งฉานได้กนะ็ทำกายานุปัสสนได้เต็มภูมิอย่างทํานาปนาสตินาะาปนาสติเต็มภูมิ ก็ลมหายใจหยุดไปเลยนะใ้ จ, จิตไปเป็นแสงถ้าดูจิต ด, ดูใจก็ง่ายไม่ต้องเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานแล้วจะมาดูจิตจะมาดูไม่รู้เรื่องมันจะว่างๆเวลาดูจิตนะให้ตามองเห็นให้หูได้ยินเสียงให้จมูกได้กลิ่นให้ลิ้นได้รสให้กายกระทบสัมผัสให้ใจคิดนึกนะไม่ห้ามสักข้อเดียวพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วนะ เกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธลงให้รูนะ้รู้ทันไปเรื่อยเห็นมันเกิดดับเกิดดับไปดูจิตดูใจนะมันไม่ได้ดูแค่สังขารอย่างเดียวนะมันจะครอมไปถึงเวทนาได้ด้วยนะจะครอมเวทนาทางใจไม่ใช่เวทนาทางกายนะงั้นถ้าดูเต็มภูมิดูจิตเต็มภูมิเนี่ยจะเห็นสุขทุกข์เฉยๆในใจได้ด้วยจะเห็นดีชั่วในใจได้ด้วยนะ จะเห็นได้ใจที่เป็นคนรู้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งได้ด้วยมาเรียนน้อยนะมาเรียน3วันหลวงพ่อฤทธิ์เทศแบบเทยามรับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นก่อนไม่ต้องตกใจแล้วกลับไปฟังซีดีนะแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้านะถ้ารับคําท้าก็ลองดูไปฟังซีดีหลวงพ่อแต่อย่าฟังแบบเคร่งเครียดนะ ฟังไปสบายสบายแล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนบางคนเดือนสองเดือนก็เปลี่ยนแล้วละ่ะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะหาสาระไม่ได้เลยอยู่ในโลกของความฝันตลอดเวลาเลยนะไม่สามารถอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้การดูจิตดูใจไม่ใช่ไปเพ่งใส่จิตถ้าเพ่งใส่จิตเป็นสมถนะเราะฉนั้นบางคนสอนดูจิตบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอย่าไปฟังมันมันภาวนามไม่เป็นนะ อย่างนั้นมันไปเพ่งจิตได้สมถะถ้าจะทําพิพิธสนาก็ต้องเห็นจิตมันเกิดดับจิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับแล้วดูอย่างนั้นไปอา้าวต่อไปไปกินข้าวนะระหว่างกินข้าวก็ถนัดดูกายก็เห็นกายมันกินข้าวนะถนัดดูจิตก็เห็นจิตมันตะละก็รู้เนี่ยเข้าแถวอยู่ เหลือไข่ลูกเขยอยู่ลูกหนึ่งสมมติลึกไข่พะโลอยู่ลูกหนึ่งอยากกินให้รู้ว่าอยากคนท่าหน้าเรามันตักไปก่อนโทสะขึ้นให้รู้ว่าโกรธนะเข้าห้องน้ําเข้าแถวยาวใจกระวนกระวายให้รู้คนอื่นมันมาแซงหน้าเราหน้าด้านมากนะก็เรียกวัฒนธรรมป้าใช่ไหมยุคนี้ <laughs> ไม่ควรใช้นะคําเนี้ยมีการเหยียดยามกันไม่ใช่กดป้าเท่านั้นหรอก ที่จะเอาเห็นแก่ตัวเด็กๆ เ, เห็นแก่ตัวก็เยอะไปนะ่าไปโทษใส่ป้าเอาไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ